แบบนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดา ร, รัสที่สัตแก่ท่านโมคคราชซึ่งไดกล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในที่ต่างๆจะทรงอาศัยสิ่งที่ใกล้ชิดกับบุคคล เป็นเครื่องอธิบายชี้เห็นถึงความเป็นของว่างหรือของศูนย์แห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายไว้เป็นดั้งมากแต่ในที่นี้ทรงใช้คําว่าโลกแต่คำว่าโลกนั้นเองก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาบางครั้งทรงเรียกขันว่าโลกที่ใช้คําว่าขันทะโลกโลกคือขันห้าบางครั้งก็เรียกว่าอายตนะโลก โลกก็คืออาณาักนะ้นดันั้นในชั้นของการนํามาศึกษาพินิจพิจารณาบุคคลจึงสามารถอาศัยสิ่งอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปไม่เป็นรูปก็ต้องเป็นนามไม่เป็นนามก็ต้องเป็นรูปเรายกเอาสิ่งที่เป็นรูปหรือเป็นนามเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างในกรณีที่ ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อประทับที่ประเชตวันพระทรงเชื่เห็นว่าในชีวิตร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราและไม่ใช่เป็นของคนอื่นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของกรรมวันตราบใดที่คนยังยึดถือว่าเป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นอยู่ศาสตร์นั้นก็จะต้องเดือดร้อน ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่แต่เมื่อใดบุคคลมาเข้าใจตามความจริงว่าไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราและไม่เป็นทั้งตัวทั้งตนของเราแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงความสงบประงับไปได้ไม่ต้องประสบความทุกข์ในสังสารวัฏในจากนั้นได้รับสั่งภิกษุทั้งหลายว่า ดับสั่งแก่พิสูจ์ทั้งหลายว่าสมมติว่ามีใครเอาฟังเอาหญ้ามาสมไว้ที่ประเทศตะวันแล้วก็จุดไฟเผาพวกเธอทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าวิหารกุติของเราถูกเผาหรือว่าทรัพย์สมบัติของเราถูกเผาหรือไม่พิสูจทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่ควรจะคิดเป็นเช่นนั้นแต่แท้จริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของของเรา แม้ตัวเราก็ไม่เป็นของเราซึ่งการที่ปรับใจให้เข้าถึงความจริงชั้นนี้ได้แสดงว่าภิกษุเหล่านั้นต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปหมดแล้วแต่อย่าลืมว่าขั้นตอนของการปฏิบัติระดับที่มองให้เห็นโลกเป็นของว่างหรือของสูตรนั้นบุคคลสามารถสัมผัสผ ล, ผลที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขความสงบใจในชั้นต่างๆได้อย่างที่ทรงสอนให้มองในรูปของอายตนะ ว่าตาก็เป็นของศูนย์หูก็เป็นของศูนย์เป็นต้นแต่บางครั้งก็ใช้อายตนะภายนอกว่ารูป ก, ก็เป็นของศูนย์เสียงก็เป็นของศูนย์กลิ่นก็เป็นของศูนย์รสก็เป็นสองของศูนย์สัมผัสก็เป็นของศูนย์คือของว่างจากตนและจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนซึ่งในขั้นของการปฏิบัตินั้นในชีวิตประจําวันบุคคลสามารถที่จะ ได้รับประโยชน์จากความมองเห็นเป็นของศูนย์ได้อย่างในกรณีที่จิตใจของบุคคลมักมีปัญหาด้วยอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างที่เป็นปัจจุบันบ้างที่เป็นอนาคตบ้างคือไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งคืออจจะเป็นความคิดที่มีลักษณะสับสนคือวุ่นวายอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคตหรือวุ่นวายอยู่ทั้งอดีตและปัจจุบัน สิ่งใดที่แตกทําลายไปแต่ว่าบุคคลทําใจได้ว่าสิ่งนั้นได้แตกทําลายไปแล้วสูญสลายไปแล้วแม้จะไปเศร้าโศกถึงแม้จะไปร้องไห้ถึงบ่นเพ้อถึงก็ต า, ามก็ไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้สิ่งที่แตกแล้วสิ่งที่มีความแตกทําลายไปเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วก็ปรองใจให้ยอมรับความจริงในส่วนนี้ได้ บุคคลก็จะสามารถสงบใจจากเรื่องที่เป็นอดีตโดยเฉพาะเรื่องที่สร้างปัญหาให้แก่ดใจของตัวเองหรือแม้แต่เรื่องที่สิ่งดีงามในอดีตที่พระเจ้าทรงสอนให้บุคคลน้อมระลึกถึงเพื่อเกิดความปีติปราโมทย์เกิดความสงบขึ้นภายในใจอาจจะระลึกถึงศีลอาจจะะลึกถึงทานการบริจาคของตนที่เรียกว่าพวกอนุสติทั้งหลาย ในกรณีที่ระลึกของตนก็คือระลึกถึงศีลของตนกับการเสียสละของตนที่สรงใชยคําว่าศีลานุสติกระจารคานุสติแต่ถ้าบุคคลมองให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตแต่บุคคลจะต้องการสัมผัสผลที่ให้เป็นปีติปราโมทย์เป็นความสุขความสงบอย่างจริงๆ ต้องเพิ่มพูนขึ้นในปัจจุบันงการน้อมระลึกถึงในลักษณะนี้เป็นการน้อมระลึกเพื่อกระตุ้นให้เพิ่มพูนความดีส่วนนั้นไม่ใช่ไปเพลิดเพลินอยู่กับความดีในอดีตที่สำนวนในศาสนามีข้อความตอนหนึ่งที่ท่านใช้คำว่ากินบุญเก่าเป็นคำพูดของนางวิสาขาที่ได้กล่าวกับพระเทรารูปหนึ่งซึ่ง ไปบินทบาดบินทบาด ท, ที่บ้านสามีของนางท่านพ่อของสามีนางได้นั่งรับประทานอาหารอยู่เห็นพระเดินบินเทบาทผ่านไปก็เกรงแกล้งก้มหน้าไว้เป็นทีว่าไม่เห็นนางวิสาขาเข้าไปอยู่ใหม่ๆจะไปทำอะไรล่ำหน้าไปก็เห็นว่าไม่เป็นการสมควรจึงบอกให้พระเดินผ่านไปแล้วก็กล่าวคำว่า ขอให้พคุณเจ้าโปรดศาตย์ขณเถิดพ่อสามีของดิฉันกระลังบริพวกของเก่าอยู่คำว่าของเก่าในความหมายของนางก็คือบุญเก่าเพระการที่คนเราได้อุบัติบังเกิดมาในกำเนิดในสกุลที่ดีนั้นก็เพราะบุญกุศลเป็นนั้นมากที่บุคคลสร้างไว้แล้วก็ส่งให้มาบังเกิดแต่นั้นเป็นเรื่องของอดีตถ้ า, าว่าบุคคลไม่เพิ่มพูนขึ้นในปัจจุบันมัวเพลิดเพลิเพนเสวยบุญเก่าหรือกินบุญเก่าอยู่ ในสุดบุญเก่าก็จะหมดเมื่อมีกิเลสที่ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกกรรมที่เป็นกุศลก็ไม่มีฐานไม่มีกําลังที่จะส่งพอให้บุคคลได้สวยความสุขอย่างที่ตนเคยสวยในชาติปัจจุบันดันั้นผู้ปรารถนาหรือมีความยินดีในพบอยู่ปรารถนาพบคือการเกิดการเป็นการมีอยู่ในสังสารวัฏ ก็สามารถที่จะอาศัยประโยชน์จากจุดนี้ว่าได้ได้ว่าของบุญเองมันก็สูญไปได้หรือว่างได้เหมือนกันเมื่อแกให้ผลหมดแล้วมันก็หมดไปอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นอโหสิกรรมคือกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วเพราะฉนั้นถ้าปรารถนาสังสารวัตรหรือปรารถนาพบที่พระนิตมันก็ต้องสร้างบุญที่พระนิตเพื่อการได้บังเกิดในพบที่พระนิรตถ้าว่าบุคคลสามารถคิดได้ในลักษณะนี้ ปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องอดีตก็จะกลายเป็นเพียงบทเรียนสําหรับกระทําความดีในปัจจุบันจะทําความดีเว้นความชั่วในปัจจุบันเพราะเรื่องของอดีตนั้นมีทั้งดีทั้งไม่ดีและบุคคลก็ไ ด, ด้ประสบผลทั้งดีและไม่ดีของการกระทํานั้นมาแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเฉพาะเป็นบทเรียนที่จะงดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นซึ่งตนเคยประสบความทุกข์มาแล้วประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติซึ่งตนเคยประสบความสุข จากการกระทาต่อ น, นั้นมาแล้วไม่ไปเศร้าโศกเสียใจถึงเรื่องที่เป็นอดีตและในขณะเดียวกันเมื่อมองไปที่อนาคตก็จะมองเห็นว่าอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มาอาจจะมาหรือไม่มาไม่มีใครที่จะไปรู้ได้เพราะขณะแห่งชีวิตในโอกาสต่อไปนั้นเป็นอวิชชาสมัรถุคนทั้งหลายคือไม่มีใครรู้ว่าชีวิตในโอกาสต่อไปจะเป็นยางไร ก็จะสามารถสงบใจอยู่ที่ปัจจุบันพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์ในชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นทานชั้นศีลชั้นภาวนาก็ตามให้เพิ่มพูนมังเกิดขึ้นในปัจจุบันทาให้ชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่ทรงใช้คำว่าเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เ็จะมองให้เข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเราจะาว่าที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติธรรมดาก็สามารถรู้ตามความจริงว่าที่จริงสิ่งเหล่านั้นอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยแก่สลายแก่ก็ต้องสลายไปแต่การที่สิ่งนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อใจคนจนสร้างความทุกข์ หรือความสุขให้เกิดขึ้นแก่ใจคนได้เพราะการกาหนดหมายของบุคคลเป็นประการสำคัญแน่นอนในชั้นของการดำรงชีวิตก็ต้องมีการกาหนดหมายแต่ว่าถ้าบุคคลมองในแนวของความเป็นของศูนย์ไบ้างคือเตรียมจะใจรับความเป็นของศูนย์ความเสื่อมสลายความแตกทำลายของสิ่งเหล่านั้นด้วยความรัดรากจากไปของสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เวลาสิ่งเหล่านั้นเป็นไป ตามเหตุปัจจัยของแกคือเสื่อมสลายไปแตกทำลายไปใจของบุคคลก็จะมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจอย่างความคิดที่เกิดขึ้นแกนางมาริกาผู้เป็นปัญญาของพันธุระเสนาบดีที่ประสบปัญหาการกระแทกกระทันทางอารมณ์อย่างรุนแรงเพราะว่าสามีและลูกได้ถูกฆ่าไปพร้อมๆกันในคืนเดียวกัน ตามปกติปิยวิปโยคคือการพ ร, พรากจากคนสัตว์สิ่งของอเป็นที่รักในลักษณะนี้เป็นอารมณ์ที่ทนได้ยากและเป็นเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทนได้ยากทําไมจึงทนได้ยากเพราะใ จ, จของบุคคลไปยึดถือในสัตว์ในบุคคลในสิ่งของเหล่านั้นว่าเป็นของเราและปรารถนาให้เป็นของเราเป็นไปในแนวเดียวคือแนวที่ตนต้องการ ให้มีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสุขดำรงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งที่จริงแล้วการไปตั้งเป้าหมายในลักษณะนั้นเป็นการตั้งเป้าหมายลักษณะฝืนคติแห่งธรรมดาเพราะว่าสิ่งต่งางไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปแม้บางการณีก็อาจจะเป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่ว่าจะไม่เต็มตามที่เราต้องการ อย่างที่ทรงแสดงถึงความรู้สึกของคนระดับทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพวกก็เรียกว่าขาดธาตุอายตนะอยู่เขา อ, อาจจะตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่จริงๆบุคคลที่ตั้งความหวังนั้นบางคนจะไม่สมหวังเลยบางคนอาจจะสมหวังสักส่วนหนึ่งหรือสักครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งบางคนอาจจะสมหวังเต็มตามที่ต้องการ แล้วก็มีอยู่บางคนที่อาศัยบุญวัสนาบารมีเข้ามาสนับสนุนก็อาจจะได้เกินที่ตนหวังเอาไว้แต่ว่าโดยสภาพความเป็นจริงแล้วในแง่ของความจริงที่แท้จริงสิ่งที่เราได้เกินความหวังก็ดีหรือสมตามที่เราหวังไว้ก็ดีนั้นก็ตกอยู่ในสภาพของความเป็นของศูนย์โดยฐานะของแก่ เพราะอะไเพราะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้แก่เป็นไปตามที่เราต้องการอยู่ได้ตลอดไปวันนี้สมหังต่อไปอาจจะผิดหวังวันนี้อยู่ร่วมกันต่อไปอาจจะพลากจากกันวันนี้ยังคงอยู่เดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงแปรปลุนซึ่งแท้จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนั้นก็แกก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเพียงแต่บุคคลไม่ได้สังเกตไม่ได้กําหนดหมายหรือมีการปรุงแต่งเอาไว้ โดยวิธีการต่างๆอย่างที่ใช้กันและประพฤติปฏิบัติกันดันั้นสิ่งเหล่านั้นเมื่อมองอีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาก็จะทำให้บุคคลเข้าใจว่าสิ่งทั้งสาประการนั้นเช่นในกรณีที่ไม่สมหวังก็ไม่ใช่จะไม่สมหวังอยู่ตลอดไปคืออาจจะสมหวังก็ได้ในโอกาสต่อไปความทุกข์โทมนัสที่ควรจะเกิด หรือมักจะเกิดแก่บุคคลทั้งหลายก็จะไม่เกิดแก่บุคคลที่ทำใจได้อย่างนี้หรือในกรณีที่ได้ตามความหวังสักครึ่งสักกึกหนึ่งบุคคลก็จะทำใจของตนในยินดีตามหลักของยถาลาภสันโดษคือยินดีตามที่ได้มาเพ ร, ะราะอะไรเพราะได้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงเห็นว่า ในขณะที่เราสมหวังเพียงครึ่งเพียงกึกนั้นคนบางคนที่ไม่สมหวังก็มีและที่ได้ไม่เท่าที่เราได้ก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็จะใช้สอยสิ่งเดล่านั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพระมองเห็นว่าโอกาสต่อไปนั้นเราอาจจะผิดหวังก็ได้หรืออาจจะสมหวังก็ได้แต่ทั้งสมหวังทั้งผิดหวังและก็หวังได้ครึ่งได้กึ่งนั้นพอมองอีกจุดหนึ่งคือลึกลงไป ก็กลายจะกลายเป็นของศูนย์ไปในโอกาสต่อไปในกรณีนี้ก็คือการตายและการพลัดพรากกันเองแต่ว่าการสอนในแนวตายและพลัดพรากนั้นเป็นการสอนรวมๆคือไม่ได้แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราต้องการจะให้คนปรับใจยอมรับกติแห่งธรรมดาในลักษณะที่รวมๆดังนั้นเองกรณนนีถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายได้มองในแนวความยึดถือของบุคคล ด้วยอำนาจของตันหามานะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงสอนในเรื่องนี้นั้นเป็นการสอนในลักษณะน้ํายอกน้ําบุ่มเพราะไรเพราะว่าใ จ, จของบุคคลที่ไปยึดถือในสัตว์ในสังขารทั้งหลายที่ว่างามหรือไม่งามน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าคลายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนั้นจะมีการยึดอยู่สองแนวที่ต้นใช้คาว่ายึดโดยนิมิต คือรวบถือเป็นชิ้นเป็นอันกันเลยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นพื้นที่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นต้นคือเอากันเป็นคันคันเป็นหลังๆเป็นคนคนไปได้พันการที่ยึดถือในลักษณะนี้ก็สอนในลักษณะรวมรวมเหมือนกันเช่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ต้องมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดามีการพัดพลากไปเป็นธรรมดามีการแตกทําลายไปเป็นธรรมณะเอาทั้งชิ้นเหมือนกัน เพื่อสํารอกความยึดติดในสัตว์ในสังขารในบุคคลว่าเป็นของของเราหรือว่าเป็นเรารในแนวหนึ่งเราไม่ได้ยึดถือในลักษณะนั้นที่ต้นใช้คาว่าอนุพยัญชนะนคือแยกย่อยออกมาเช่นการกําหนดคนกําหนดความสวยงามของคนหรือกําหนดความไม่สวยงามของคนก็ตามก็จะแยกส่วนใด ส, ส่วนหนึ่งขึ้นมาเป็นกําหนดเช่นอาจจะกําหนด รูปร่างหน้าตาอาจจะกําหนดตาจะกําหน ด, หนดส่วนต่างๆของร่างกายววัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆายส่วนก็ได้แต่ไม่ได้กําหนดไปทั้งหมดพราการไปเรียกว่าแยกถือในลักษณะนี้ท่านก็สอนในแนวของการเจาะลึกลงไปว่าที่จริงสิ่งที่แยกลงไปนั้นก็แยกลงไปได้โดยลําดับคือทั้งที่เราชอบและเราไม่ชอบ เมื่อย่อยออกไปถึงจุดหนึ่งมันก็ศูนย์ด้วยกันทั้งสิ่งที่เราชอบและเราไม่ชอบสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักและความชังหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็นี้เพิ่งสังเกตว่าการกําหนดอารมณ์ในลักษณะนั้นถ้ากําหนดด้วยความชอบมันก็เกิดสุขเวทนากําหนดด้วยความชังก็เกิดทุกขเวทนานั่นการสอนในแนวอนัตตาคือความเป็นของศูนย์ทั้งสองด้านนั้นบางครั้งก็อาจจะสอนแค่เวทนาที่ปรากฏ หรือไม่ต้องไปมองไกลขนาดนั้นมองที่เวทนาซึ่งเกิดขึ้นในขณานั้นให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเวทนานี้ก็เป็นของศูนย์ของว่างเพราะถ้าหากว่าเวทนานี้จะเป็นอยู่อย่างแท้จริงถ้าสุขก็เราคงสุขอยู่ตลอดไปถ้าทุกข์ก็เราคงทุกข์ตลอดไปแต่แท้จริงความสุขความทุกข์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวงเขาเองทุกขณะ คือในช่วงหยาบหยาบคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนั้นก็สอนเวทนาแนวหยาบหยาบพระบุคคลสามารถสัมผัสได้ง่ายๆแต่ไปเจาะลึกลงไปก็จะมองเวทนาในแง่ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีปัจจัยภายในบ้างปัจจัยภายนอกบ้างปัจจัยที่สําคัญกลับอยู่ที่ภายในไม่ได้อยู่ที่ภายนอกคือการไปยึดไปถือไปสําคัญมั่นหมายใน เวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นนั้นตัวกําหนดสุขทุกข์ในชีวิตของบุคคลจึงไม่เหมือนกันคนบางคนเจออารมณ์อย่างหนึ่งอาจจะได้สุขเจออารมณ์อย่างอย่างเดียวกันนั้นเองคนหนึ่งอาจจะได้ทุกข์คนหนึ่งอาจจะรู้สึกเฉยๆซึ่งอาจจะมองจากอะไรก็ได้มองจากการฟังธรรมก็ได้มองจากการรับประทานอาหารก็ได้มองจากการนั่งในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ในบรรยากาศอย่างใดอย่างหนึ่งๆๆก็ได้ คนจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันทั้งๆที่ปัจจัยภายนอกนั้นเหมือนกันแต่ว่าใ จ, จไปกําหนดเวทนาในลักษณะที่แตกต่างกันความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะย่อยในตัวของเขาเองก็สุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยเป็นต้นเจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่พอมองในแนวของความเป็นจริงแล้วบุคคลก็จะเห็นว่าเวทนามันก็เป็นเพียงเวทนาแต่นั้นเอง แกไม่ได้สุกอยู่ตลอดไปไม่ได้ทุกข์ตลอดไปทั้งสุขทั้งสุขทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นในที่สุดก็หายไปเรื่อจะมองในแนวที่บุคคลไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาอะไรได้พอ ถ, ถ้าสามารถบังคับบัญชาได้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการบุคคลก็คงจะไม่เป็นทุกข์อะไรและข้อ น, นี้พึงมองในแนวหยาบหยาบอีกทีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าเราบังคับก็ไม่ได้เห็นบคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดา จะบังค <Stella> ับไม่ให้เกิด <ene> ไม่ได้คนมีความแก่เป็นธรรมดาจะบังคับให้แก่ไม่ได้คนที่มีความตายเป็นธรรมดาจะบังคับให้ตายไม่ได้แต่แม้แต่ว่าคนจะไปตั้งความปรารถนาว่าขอทรัพย์สมบัติของเราจงเกิดขึ้นแก่เราในทางที่ชอบหรือเกิดขึ้นแก่ญาติมิตรของเราในทางที่ชอบขอยศของเราเกิดขึ้นในทางที่ชอบแล้วมียศเจริญมากยิ่ง่งขึ้นไปแล้วก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ อาจจะดำรงอยู่ได้ในักในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะคืนสู่สภาพเดิมคือสภาพที่แกเคยไม่มีมาก่อนและเมื่อแกมีขึ้นกรถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นของสูญของว่างไปของหายไปการเรียนรู้ในลักษณะนี้ที่จริงเป็นการเรียนเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าผู้ฟังนั้นแตกต่างกันก็อาจจะเริ่มปูพื้นฐานมา หรือว่าเรียนในระดับกลางเรียนในระดับความจริงที่แท้จริงซึ่งการเรียนในระดับความจริงที่แท้จริงนั้นก็ต้องอาศัยการเจริญในแนวของวิปัสสนาคือใช้ปัญญากําหนดพินิจพิจารณาดูความเกิดความดับของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในขณะนั้นๆถ้าเราเรียนห ย, ยาบๆเราอาจจะเรียนดูที่ซากศพก็ได้ดูที่เริยบบทก็ได้ แต่ถ้าเรียนในแนวละเอียดจะดูที่เวทนาคือความสวยอารมณ์หรือดูที่จิตซึ่งแกเปลี่ยนแปลงไปเร็วก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยของแกแล้วก็จบลงที่ความเป็นของว่างคือของศูนย์จากตนและจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนจนอย่างน้อยที่สุดปัญหาประเด็นสาคัญนั้นอย่าลืมว่า ที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องความทุกข์โดยสรุปว่าเมื่อเราโดยสรุปแล้วความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นจากจิตที่ยึดมั่นถือบ้นในขันทั้งห้านั่นเองคําสอนในระดับนี้จึงเป็นการบรรเทาทุกข์แล้วก็เพิ่มความสุขขึ้นไปอย่างที่สวดสรรเสริญกันว่าที่ทางบรรเทาทุกข์ที่สุขเกษมสารนั่นเองขอเพียงแต่บุคคลสัมผัสได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งความทุกข์เพราะความยึดความถือ ก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและความสุขจากการปล่อยวางก็จะบงังเกิดขึ้นอาการหนักทางใจเพราะมาแบกขันทั้งหลายเอาไว้โดยใจกําหนดหมายขอให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็จะบรรเทาเบาบางลงไปในข้อนี้ก็คงจะอยู่ในสูตรใหญ่ที่ทรงแสดงในนัตตะลักนัสูดนั่นเองเพราะนั้นคือแม่บทแม่บทของวิปัสสนากรรมฐานแล้วยกขันห้าขึ้น เป็นเครื่องพินิษพิจารณาแต่ในขันหานั้นเองคือในรูปเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณนั้นเองบางครั้งบ่อาศัยการปรุงแต่งของบุคคลก็ทําให้รูปดำรูปดำรงอยู่ได้นานๆก็ได้ในสายต่างคนทั่วไปหรือเวทนาที่เราพยายามควบคุมแก่พยายามสร้างขึ้นสร้างบรรยากาศขึ้นช่วยก็ทําให้เราสุขได้นานๆก็มี ดันั้นจึงทรงสอนในแนวของการอุ ป, ปมาคือแทนที่จะให้บุคคลไปดูที่รูปเวทนาตัญญาทั ง, าทางขารวิญญาณซึอบางทีก็ดูยากก็ให้ดูโดยแนวเทียบเคียงจากปัจจัยภายนอกจะมองเห็นว่าเป็นของศูนย์คือพูดในแง่ของความจริงีแท้จริงก็คือไม่มีอยู่จริงนั่นเองมีโดยการเกาะกลุ่มโดยการยึดถือ ให้ลองสังเกตว่าคือบางทีคนไม่มีจริงแต่เรายึดถือว่ามีก็จะสร้างความรักความอบอุน่นก็ได้หรือความหวาดกลัวก็ได้เช่นว่าญาติพี่น้องตายไปแล้วที่จริงก็ตายไปแล้วแต่บางทีเรายังไปยึดถือว่าญาติพี่น้องยังอยู่ที่บ้านถ้าเป็นคนกลัวผีก็อาจจะกลัวก็ได้หรือเป็นคนไม่กลัวผีมีความเชื่อมัน่น ว่าท่านยังอยู่กุ้งครองรักษาเราก็จะได้ได้เกิดความอบอุ่นคินมาก็ได้นั่นก็คือเรื่องของความยึดถือภายในใจของคนแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นๆพอมาถึงเรื่องของการทั้งห้า ก, ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ ถ, ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงความจริงตามที่ทรงแสดงเอาไว้โดยอุปมา จะนมองรูปเหมือนกับฟองน้ําที่บังเกิดขึ้นเมื่อกองแกไม่เกิดเพราะเหตุปัจจัยให้เกิดแก่ก็เกิดเกิดแล้วก็ดำรงอยู่ดำรงอยู่ก็ดับไปเพราะเหตุปัจจัยตั้งขึ้นใหม่แก็เกิดได้อีกแล้วก็แตกดับไปอีกหรือมองเวทนาในละะักษณะเหมือนกระตอมน้ําซึ่งเวทนากับรูปนั้นเกิดดับในช่วงที่แตกต่างการเวทนาเกิดดับเร็วกว่าเรื่องมองดสูสัญญาคือความทรงจําของเราเหมือนพยักแดด ดูใกล้ๆมีแต่ก็ไม่มีก้อนนี้มันสังเกตว่าถ้าศีลธรรมจัญญาถ้าระดับของศีลธรรมจัญญาจะสอนอีกแนวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะคุมสัญญาให้ดำรงจูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ดีๆเป็นการศึกษาจำทรงพระธรรมพระวินัยในพระพุทธศาสนาก็ทรงสอนให้มันสาทยาโดยเ น, น้นเห็นว่าอสัชชามาลาบันตามน์มีการไม่ท่องบนเป็นมนทิน เพาะนนถ้ต้องการให้แกอยู่ก็ต้องท่องแกไว้เรื่อยๆต้องทรงจำแกไว้เรื่อยๆคิดพิจพิจารณาแกเรื่อยๆไม่งั้นแกก็หายไปเพราะความจริงแล้วแกเหมือนกับพยับแดดดูแลว้วคล้ายๆจะมีบางครั้งก็ก็เห็นชัดว่าไม่มีฉะนนอะไรเวลาเราประสบอารมณ์เราก็เห็นได้ว่าสัญญานั้นมันคล้ายๆมีแต่ไม่มีดังนั้นเวลาเห็นคนสัตว์สิ่งของเราจะไม่รู้ เราจะคล้ายๆครับผลานึกๆยาคล้ายๆจะรู้จักแต่ก็เอาไปบางไม่รู้จักหรือบางครั้งอาจจะจําได้นี่แสดงเห็นว่าสัญญานั้นไม่คงที่แต่ในโอกาสหนึ่งอาจจะจําได้อาจจะนึกออกพอถึงโอกาสหนึ่งอา จ, จําไม่ได้นึกไม่ออกก็เหมือนกับพยับแดดที่เรามองใใคล้ายๆว่ามีแต่พอเข้าไปใกล้แล้วมันก็ไม่มีสังขารนั้นทรงสอนในพิจารณาในแง่ของ การประกอบกันเหมือนกับกอบกล้วยคือประกอบประชุมกันเฉยๆพอตอดกากกล้วยออกไปทีละกาบทีละกา่าความไปกอกกล้วยก็หมดไปเรามองวิญญาณเหมือนกับภาพมายาก็ดูคล้ายๆเป็นเรื่องจริงแต่แท้จริงแล้วก็ไม่จริงเพราะสิ่งที่เห็นดยเห็นจากเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกดิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วแม้แต่รู้ด้วยใจของท่านใช้คำว่าวิญญาณนั้น จริงๆแล้วมันเป็นเพียงภาพมายาถ้าทำใจให้เห็นว่าเป็นเพียงมายาเท่านั้นก็จะสามารถสงบใจของตัวเองได้บุคคลก็อาจสัมผัสผลเป็นการปล่อยวางความยึดถือด้วยอำนาจของเราด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างน้อยที่สุดก็ทำใจได้สักครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งก็สักบซนก็จะได้ความสุขความสงบมากยิ่งขึ้น พระปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากความยึดถือในแนวเดียวต่างๆต่ที่สิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นไปในแนวเดียวเช่นบางที ท, งทุกข์ก็เพิ่มทุกข์แก่ตัวเองหนักหนักยิ่งขึ้นโดยลืมไปว่าที่จริงไม่เวทนาไม่ได้มีเฉพาะทุกข์มันอาจจะสุข ก, ก็ได้อาจจะกลางกลางก็ได้อาจจะทุกข์ก็ได้และทุกข์น้อยก็ได้ทุกข์มากก็ได้ทุกข์ทนแทบจะไม่ไหวก็มีทุกข์จนถึงตายไปก็มี ดังนั้นเมื่อมาเข้าใจถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายโดยอาศัยโครงสร้างคือไม่ใช่สมบูรณ์อาศัยโครงสร้างพยายามสัมผัสผลเป็นความสงบโกตันหามานะทิฏฐิลงไปใจบุคคลก็จะรู้สึกโปร่งเบาสบายมีความสุขความสงบเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่การสัมผัสอนัตตลักษณะคือลักษณะแห่งความเป็นนัตตาใน ทำและท้งขานทางหลายได้ตามสมควรแก่การระพฤติปฏิบตัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป